เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถของคนไทยโดยเพในกรุงเทพเนะี่ยมันเป็นเท้าก็มีการกับรถปาดหน้ากันแล้วก็เลยเกิดการทะลาะบาะแว้งกันบางทีก็ถึงขันทาร้ายยกป่อยอะไรที่หนักมีก็มีแล้วกปืนดีนันแนละเพียงแค่ว่าตัตบใจกันเริ่มงขับรถปาดหน้า คือก็มีข่าวเรื่องการเอารถมาถอย ห, หลังไปชนไปกระ น, นังรถอีกคังหนึ่งนะึ่งก็สองคนขับสองคนจะไม่รู้จักกันหรอกนะแต่ว่าเกิดหดแรงขึ้นมาระหว่างขับรถที่จริงที่เป็นข่าวที่เรารับรู้นี่ก็เป็นส่วนน้อยนะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเยอะกนะ็มีขหลังเนี่ยเขา กรรมของคนไทยหรบอกว่าคนไทยที่เขารู้จักเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยส่วนใจแล้วก็นิสัยดีนะกปกอ้อมบาเรียนะเพื่อเพื่อเผื่อแทนแล้วก็สุภาพแต่ว่าพอเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยพอขับรนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นคนลคนเลยนะใจร้อนหนงะุดหงิดนะขับรถนี่ก็ค่อยค่ นะเช่นถ้ามีขันหน้านี่เขาเขาจะเลี้ยวนะเข้าซอยหรือเลี้ยวขา้ามถนนเนี่ยเขาปรัสัญญาณไฟเลี้ยวกานะนที่หลังหลังเนี่ยอาจเรย์ะเปิดทงให้เขาเลี้ยวแล้วก็กลับนะเล่นเครื่องเพื่อไม่ให้เขาได้มีโอกาสนะเลี้ยวหรือบางทีก็แกลงเขาเนี่ยนะรวมทั้งการกดแปดนะไล่ การปาดหน้าเนี่ยรวมทั้งบางทีก็ดา่ดาด่าคนขับที่อข้างหน้าบาง ท, ทีคนเดินถนนกำลจะข้ามถนนทางม้าลายนี่แทนที่จะหยุดให้เราข้ามแล้วก็กลับเล่นเครื่องนะเคื่อไม้เครื่องมไม้ข้ามถนนนะชาวหลังก็าบอกให้เรแปลกใจนะคนไทยเนี่ยนะที่เป็นเครื่องไม้ เพราะคนไทเป็นเพื่อนนะคนไทยที่ไม่ใช่เพื่อนเขาเนี่ยหลายวมใหญ่ก็เรียบร้อยสุภาพนะเวลาเวลาพกปะกกันพูดคุยกันแต่เวลากลับรถที่หลายนี่เปี่ยนไปคนละคนเนี่ยนิสัยเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเพราอว่ารถนี่มันเปลนนิสัยคนได้เพอะไรเป็นอย่างนั้นนะก็มีคนอธิบายว่าเป็นเพราะว่าเวลาอยู่ในรถเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเชือกเกองนะหรือว่าเหมือนกับเป็น อะไรสักอย่างที่ปิดบังไม่ให้เราแม่คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครยิ่งถ้ามีพลาสติกนะปิดกระจกด้วยเนี่ยมองเข้าไปก็ไม่รู้วเป็นใครคือพอเรารู้ว่าคนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเราก็เลยทำตัวตามสบายขึ้นมายถึงการทำตามอารมณ์เลยนะจะทำตัวนะเรียกว่าไม่มีน้ำใจ ปวดแตร์เจ็บตานหน้าก็ไม่มีใครรู้ว่าคนเก่าเพราเราอยู่ในรถเนี่ย่นะฮะและคนที่ได้พอใจเราก็ยังมากก็แค่บีตายแล่บีตายไล่หรือตาแต่ก็แค่ดา่าทํำแล้วเราไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเราเป็นไทยเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้คนไทยในเวลาขับรถเนี่ยก็จะปล่อยตัวป่อยใจได้ง่ายไม่มีคาว่าเปลี่ยนใจไม่มีคำว่าน้าใจ เนื่องจากเวลาออกจากรถเนี่ยเจอผู้คนเนี่ยเนื่องจากเห็นหน้าเห็นตากันรู้จักชื่อแท้กันเี่เวลาจะโปรดเวลาจะโมโหเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทําตามอารมณ์ได้ง่ายง่ายเพราะคนรู้จักกันเนี่ยนะหรือถึงไม่รู้จักกันมากนะั้นแต่เขาก็พอจะพอเห็นหน้าเห็นตาพอจะอารู้นะว่าเป็นใคร ถ้าเร่มพูดตาเนี่ยโวยวายด่าด่าทอไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราก็จะเกิดร้อนใจเหล่านี่เลยแล้วก็กลั <Yeah. S 2> กกวคนก็จะหม่นไส้กลัวคนก็จะเกลียด <Yeah. S 2> ในเวลาเราเวลาคนไทยเนี่ยอยู่กับานหลังก็ดีอยู่คนไทยก็มีก็จะ <Yeah. S 2> ระมัดระวังคําพูดแล้วก็อาจจะยิ่งกว่านั้นคือว่ามีน้ําใจเอื่อเพื่อเผื่อแผ่ <Yeah. S 2> แต่พอไปอยู่ในรถเนี่ย yeah. ใส่หน้ากากนไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นไทรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีคำว่าเกล่งใจนอันนี้ก็คงเป็นพฤติกรรมคล้ายกับเวลาเวลาเล่นเฟซบุ o กนะโดยพอาะเฟซ o ุที่ไม่บอกชื่อว่าเป็นไครเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาพูดคุยกันก็ดีนะสุดทายเรียบร้อยแต่เวลาพอพอใช้ a c e บุ๊ k เนี่ยนะ ที่ไม่บอกว่าเป็นใครเนี่ยบานนี้ก็ดา่บาบันนี้ก็กใช้ถ้อยคำหยาบคายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วว่าเอคนเราเนี่ยจะทําความดีก็เฉพาะต่อเมื่อคนอื่นก็รู้ว่าเราเป็นใครทําไมถึงทําไมเป็ม่เป็นคนแปลกหน้าไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครเราจะทําความดีต่อกันไม่ได้เนะชยวอันนี้มันต้องมีอย่างมันต้มีสิ่หนึ่งนะ ท, ที่เรียกว่าความละอาย คเนี่ยมักจะกลัวบาปหรือว่ากลัวเสียหน้าคนไทยเนเรื่องนี้เป็เรื่องใหญ่เพราะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามีคนรู้ว่าเราทํารู้ว่าเราทําอะไรก็จะระมัดระวังกลัวผลกระทบกลัวเดือดร้อนหรือกลัวเสียหน้านแต่ถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นี่นะพิเรศนี่มันคล่อมหำลังใจเลย ก็ถามมาทำให้ดา ก, ก็ะดามาทําให้บีบแสก็บีบมาท า, าให้ปากก็ปาดนะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะอันนี้เมื่อนคนไทยเราเนี่ยถ้าเรา ม, มีไม่มีไม่จริงแต่ว่ากลัวบาดเป็นเดียวแต่ต้องมีความระายด้วยถ้าเรามีความระยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวแต่ทำอะไรไม่มีใครรู้แล้วก็ยังเป็นเองเหมือนเดิมกนะ็คือยังเป็นคนมีน้ํำใจในความเพื่อกเยิ้ ที่เตืนใจคนอื่นเนี่ยมีใน้ำใจกว่คนอื่นเนี่ยก็ดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยก็่นอยู่ในรถยนต์หรืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าเฟซบุ๊ก เ, เนี่ยในการมีสติเตือนใจเนยะให้ระมัดระวังแล้วก็ให้มีความละอายนะละอายใจนะถึงแม้จะไม่มีใครรู้ถึงแม้ไม่มีคำว่าเสียหน้าเพราะไม่มีคนเห็นแต่ว่า ก็ทำให้เราเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่เลวร้ายหรือว่าก่อปัญหาเนี้่ยไอ้พอทําอะไรทำใจขัดตัวเนี่ยทำอะไรทใจดีแต่เนี่ยปาดหน้าเนี่ยคล้ายเนี่ยพอเกิดเื่อเกิดราวนะมันก็เป็นข่าวพอเป็นข่าวเนี่ยไม่ชื่อเสียงเนี่ยมันก็เลย ไปเลยเพราะคนรู้วอ๋อคนนี้เป็นใครมันเจี่รั่วคนนี้เป็นบีแกนะรั่วคนนี้เนี่ยทำบริษัททํางานบริษัทโดยผู้จัดการพอเรามีพติกรรมแบบนี้เลยนะเก็เสียหายนะของ บ, บางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เราทาแล้วมีในใครรู้นะพอมาเจอเรื่องเกิดขึ้นเราคนรู้ขึ้นมาโอ้อมันเสียหายมากเลยนะต้องระมัดระวังมากต้องมีสติ